Thank mm -hmm. you. ฟังธรรมกันตามสบายที่วัดป่าสุขัตโตธรรมดาแล้วทุกเช้าเราจะมีการบุนเวียนกันแสงทําให้ญาติธรรมฟังกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วตอนเย็นก็จะเปิดสื่อของครูบาอาจารย์ให้ฟังตามหลักคิวของอาธมาเนี่ยอยู่วันพฤหัสวันนี้เป็นเป็นคิวขออาจารย์โนตอาจารย์โนตท่านไม่ได้ขึ้นมาอาธมาก็เลยต้องเลื่อนมาวันหนึ่งวันนี้ก็จะพูดเรื่องอะไรสําคัญที่สุดในที่นี้พวกเรามีใครไม่รู้จักอาจารย์กัพลมั้ง อาจารย์กัมพลทองบุญนุ่มคงไม่แพร่ไม่รู้จักนะตอนนี้อาจารย์กัมพลท่านเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายซึ่งหมอบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานท่านก็แสดงให้ดูว่าท่านอยู่เกินกว่าที่หมอกาหนดแล้วอาจารย์กัมพลบอกว่าถ้ามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันท่านมีเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตถ้าเป็นคนไข้คนอื่นที่รู้ว่าตัวเองป่วยบางทีหมอบอกว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยจิตก็ตกบางทีไม่ถึงสามเดือนก็ตายแล้ว พอมะเร็งตับยันสุดท้ายเนี่ยส่วนมากตายง่ายแต่ถ้าคนไข้มีกําลังใจก็สามารถอยู่ได้เรื่อยๆท่านบอกอยู่กับอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะบางคนไปวิตกกังวลกับอดีตและอนาคตทําให้ชีวิตเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบันจต่จากําพลดเนี่ยท่านจะไม่ค่อยทรมานท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสท่านจะเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตคือจิตท่านไม่ค่อยมายึดกับร่างกายเท่าไหร่ก็มีคนไปถามท่านเรื่อยๆ อาจารย์กัมพลก็บอกบอกว่าท่านเนี่ยสามยอมคือท่านและยอมตายแล้วตอนนี้ครับท่านบอกว่าชีวิตของท่านเนี่ยคงอยู่ได้ไม่นานเพราะร่างกายท่านผิดปกติหลายอย่างตอนนี้ท่านยอมตายท่านให้ธรรมะสามยอมคือหนึ่งยอมรับฝาเป็นจริงอันนี้ช่วยเราผ่อนคลายใช้ได้กับทุกเรื่องเพราะคนเราเนี่ยที่มีปัญหาเพราะไม่ยอมรับฝ่าเป็นจริงถึงยามเจ็บป่วยก็ไม่คยอมรับ ยามสูญเสียก็ไม่ ย, ยอมรับหรือยามที่สูญเสียสิ่งที่รักไม่จะเป็นคนรักเพื่อนสามีภรรยาหรือพ่อแม่ตายจากมันก็เศร้าเสียใจคือรับไม่ได้อันนี้ก็จะทุกข์มากแต่ถ้าคนยอมรับตามภามเป็นจริงวราทุกสิ่งเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงอยู่ไม่ได้อยู่ใต้ความควบคุมของเราบังคับัญชามไม่ได้ถ้าเรายอมรับได้เราก็ไม่ต้อทุกข์เท่าไหร่อะไรเกิดก็ต้องเกิด และยอมข้อที่สองยอมให้มันเป็นไปพอยอมให้มันเป็นไปเนี่ยก็ใช้ได้กับทุกเรื่องเหมือนกันยอมให้มันเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่ขัดแยง้งและยอมที่สามคือยอมตายถ้ายอมตายขอจากกับกัมพลเนี่ยแต่ถ้าเอามาเป็นความหมายของพวกเราก็คือยอมปล่อยวางคือปล่อยวางก็ได้ใช้คำว่าปล่อยวางก็ได้คือปล่อยวางจยางทุกสิ่งท้าคนเราเจอธรรมชาติแล้วจิตมันจะยึดยึดว่าหนะ้าของกูอันนี้ก็ตัวกูมันยึดหมดอะ แต่ถ้าคนไม่ยึดเนี่ยมันก็ทุกน้อยว่าคนยึดถึงข่าวสูญเสียไปมันก็ทําใจได้ปล่อยวางได้เร็วกว่าเพราะบางคนเนี่ยยึดตัวเป็นของเรามากเนี่ยจิตมันไม่ยอมวางนะมันก็ยึดอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนเศรษฐียึดทรัพย์สมบัติตายไปไปเกิดเป็นหมาเป็นตุ๊กแกไปอะไรก็มีมีทั้งหลายลายบางทีฝังสมบัติไว้ที่ดินแล้วตายหงษสมบัติมาเกิดเป็นลูกหมาก็มีเพราะสต่างๆเรายึดไม่ได้เลยบางครั้งต้องปล่อยวางเหมือนกับ เรายืมใช้ช่วงคาวเท่านั้นขณะที่มีชีวิตยอยู่พอเราตายไปเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุก่ให้กับโลกเราเนี่ยเป็นสมบัติของโลกทรัพสมบัติต่างๆก็เป็นของโลกหมดไม่มีสมบัติของเราอยู่จริงเลยไม่ได้ชิ้นเดียวไม่มีใครเอาไปได้แต่เราไม่รู้เราก็จะยื้อแย่งกันอยากมีชื่อเสียงอยากมีลาภสัการะะอยากมีรู่นมีนี่เป็นของเราแต่จริงถึงเราอยากแค่ไหนเราก็มีไม่ได้มีได้ชั่วงคาวเท่านั้น่เดี๋ยวก็ต้องไปขอคนอื่น ในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเราไม่อยากแก่เราก็ต้องแก่เราไม่อยากป่วยเราก็ต้องป่วยเราสังเกตได้เราเวลาเจอคนที่เราไม่เจอกันนานเนี่ยหน้าตาจะเปลี่ยนแล้วบางคนเคยเจอกันหน้าตาหน้าตาดีๆพอเจอนานเจอทีก็ผมงอกตีนกาขึ้นเต็มไปหมดบางคนก็เจ็บป่วยเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าอยู่กันทุกวันเนี่ยมันจะคุ้นไงมันจะชินจะดูเหมือนเปลี่ยนไม่เยอะแต่ถ้าเกิดนานเจอกันทีจะเปลี่ยนเยอะ ที่ความจริงของธรรมชาติคนเรารู้จักกันก็เริ่มล้มหายตายจากไปร่อยหลอลงไปมีนิทานอยู่เรื่องหนึง่งนิทานเรื่องนี้เขียนโดยลีโอตอสตอยในที่นี้บางคนอาจจะรู้จักเพราะว่าเป็นนักเขียนชื่อดังของชาวรัสเซียเป็นนักเขียนรุ่นใหญ่ท่านได้แต่งนิทานไปเรื่องหนึงชื่อเรื่องว่าอะไรสําคัญที่สุดหรือเรื่องก็มีอยู่ว่าพระราชาองค์หนึ่งคุ้นคิดถึงปัญหาสามข้อคิดเท่าไหร่ก็แก้ไม่ตกเพราะถ้าแก้ปัญหาสามข้อนี้ได้เนี่ย พระาชาก็ว่าตัวเองจะทำอะไรไม่ผิดพลาดปัญหาสามข้อก็มีข้อที่หนึ่งเวลาไหนที่สำคัญที่สุดข้อที่สองคนไหนสำคัญที่สุดข้อที่สามภารกิจอะไรที่สำคัญที่สุดคิดอ่อไหลคิดไม่ออกก็เลยป่า ป, ประกาศให้คนในเมืองเนี่ยถ้าใครคิดได้เนี่ยแลวตอบปัญหาเนี่ยถูกใจพระราชาก็จะให้รางวัล ผู้คนก็ทยอยกันมาที่วังของพระราชามาตอบปัญหาสามข้อแต่ไม่มีใครตอบถูกใจพระราชาเลยเพราะต่างคนต่างตอบออกไปทางคนละทิศคนละทางพระราชาก็ต้องกุมใหญ่ต่อไปจนนึ้ขึ้นมาได้ไว่าเอ๊ะมีฤาษีอยู่ผู้หนึ่งท่านเป็นผู้รอบรู้สามารถตอบปัญหาทุกเรื่องซึ่งก็สร้างกระท่อมเล็กๆอยู่บนเขาพระราชาก็เลยมีความคิดว่าเราต้องไปหาฤาษีเพื่อให้ตอบคาถาม แต่ฤาษีคนนี้เท่าที่ได้ทราบข่าวมาเป็นคนที่ต้อนรับเฉพาะคนยากจนคนรวยคนมีอานาจราชศักเนี่ยจะไม่ต้อนรับพระราชาก็เลยต้องปลอมตัวเป็นชาวนาใครไม่ถึงเชิญเขาก็ให้พวกทหารอยู่ข้างล่างพระองค์ก็ปีนเขาขึ้นไปคนเดียวโดยชุดชาวนาใครไม่ถึงก็เห็นฤาษีซึ่งอายุก็คงจะ แก่แล้วกำลังขุดดินอยู่ที่หน้ากระท่อมเพื่อปลูกผักพระราชาก็เข้าไปถามปัญหาสามข้อว่าเวลาไหนสำคัญที่สุดคนไหนสำคัญที่สุดภารกิจอะไรที่สำคัญที่สุดฤาษีก็ตั้งใจฟังแต่ก็ไม่ตอบก็ยังขุดดินต่อไป พระราชาเห็นฤาษีขุดดินก็เกิดสงสารเพราะว่าแก่แล้วขุดไปก็หอบไปเหนื่อยไปก็เลยรับภาษาจะขุดดินแทนฤาษีก็ส่งจอบให้แล้วก็นั่งพักพระราชาขุดไปเรื่อยๆขุดไปต้องนานได้ประมาณสองล่องก็หายมาถามปัญหากับฤาษีฤาษีก็ตบไหลพระราชาเบาบอกว่าเราหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะขุดต่อ พระาชาบอกไม่ต้องเขาเลยขุดต่อไปผ่านไปหลายชั่วโมงจนตะวันตกดินคือเริ่มเย็นแล้วพระราชาก็หันมาถามฤอษีเรื่องปัญหาสามข้อขอช่วยตอบด้วยถ้าท่านไม่ตอบหรือตอบไม่ได้เราจะได้กลับบ้านฤอษีก็บอกว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงดัง พระชาบอกได้ยินสักพักหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมาแล้วก็มาล้มลงต่อหน้าพระ อ, องค์พระชายเห็นเข้าก็เกิดความสงสารรีบเข้าไปดูเห็นเลือดไหลเต็มแถวหน้าท้องก็เลยช่วยกันทำความสะอาดแผลโดยเอาผ้าเดี่ยบิดให้เลือดออกถึงเลือดออกมากบิดตั้งหลายครั้งกว่าเลือดจะแห้ง ชายผู้นั้นก็หิวน้ำมากก็ขอใพระราชาช่วยหาน้ำาให้หน่อยพระองค์ก็วิ่งไปที่ลําธารแล้วก็ตักน้ำมาให้แล้วก็ช่วยกันกับฤศีเนี่ยเอาชายที่บาดเจ็บเนี่ยไปนอนที่กระท่อมซึ่งฤศีเป็นฝ่ายเสียหลักกระท่อมให้โดยให้นอนที่นอนตัวเองหรือ แ, แล้วก็เฝ้าไข่กับพระราชาด้วยความที่เหนื่อยไปทั้งวันตั้งแต่ปีนเขา แล้วมาช่วยขุดดินขุดดินอีกพระราชาก็นั่งหลับในกระท่อมนั่นแหละพรู้สึกตัวทีก็ตะวันขึ้นแล้วอ้าวแล้วก็เห็นชายคนนั้นมองหน้าอยู่ซึ่งพระราชาก็งงเอ๊ะเรามาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ได้ยังไงชายคนนั้นมองหน้าพระราชาแล้วก็บอกว่าให้อภัยให้ข้าพเจ้าด้วยพระราชาก็งงว่า ท่านทําอะไรผิดเหรอจรึงให้เราต้องให้อภัยชายคนนั้นก็บอกว่าทีแรกเดิมทีเนี่ยรู้จักพระราชาแต่พระราชาไม่รู้จักเขาเลาตั้งใจจะมาฆ่าพระราชาโดยตรงเลยโดยซุ่มอยู่ข้างล่างรอเมื่อไหร่พระราชาจะลงจากเขาแต่รอแล้วรอเล่าพระราชาก็ไม่ยอมลงมาทันทีที่แครนเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ชายช่วงที่มีสงครามก็ตายในสนามรบ แล้วพระราชาก็ยังรีบซับสมบัติอีกของทางบ้านทั้งหมดก็เลยตั้งใจว่าจะต้องคาบเพื่อล้างแค้นให้ได้จึงมาดักซุ่มอยู่ขันหินพระราชาไม่ลงมาทัทีก็เลยต้องไปฝ่ายขึ้นมาหาเองเผอิญพวกทหารจำชายคนนี้ได้ก็เลยต่อสู้กันแล้วก็ใช้มีดแทงจนชายคนนี้บาดเจ็บแต่ชาย น, นี้อุสาววิ่งขึ้นไปข้างบนไปเจอพระราชาจนได้ ก็เลยสำนึกในบุญคุณว่าตอนแรกจะมาฆ่ากลายเป็นว่าคนที่เราจะฆ่าเนี่ยกลับมาช่วยชีวิตซึ่งเรื่องเรื่องถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตรงข้ามกันแหละฝ่ายพระราชาก็ให้อภัยยกโทษทั้งหมดแล้วก็บอกว่ายินดีจะคืนทรัพย์สมบัติให้แล้วก็รักษาให้ด้วยโดยให้หมอแล้วก็คนใช้ไปช่วยพยาบาลให้คนชายคนนี้หายเร็ว แล้พระราชาก็ย้อนกลับไปหาฤาษีครั้งหนึ่งเพื่อไปทวงทัวสัญญาต้องการถามปัญหาข้อปัญหาสามข้อยังคาใจอยู่ฝ่ายฤาษีก็บอกว่าปัญหาสามข้อของท่านเนี่ยได้รับคําตอบแล้วยังไม่รู้อีกเหรอพระชาหงงว่าได้รับคําตอบยังไงคือไม่เข้าใจฤาษีก็ตอบว่าท่านเนี่ยมาช่วยเราเห็นเราเป็นคนแก่ มาช่วยเราทำงานและช่วยขุดดินซึ่งเวลานั้นเนี่ยคือเวลาที่สำคัญที่สุดและใครสำคัญที่สุดก็คือเราอีกแหละเพราะว่าเราคือคนเดียวที่อยู่กับท่านตอนนั้นแลวภารกิจอะไรที่สำคัญที่สุดก็ช่วงที่ที่ท่านขุดดินนั่นแหละคือภารกิจที่สำคัญที่สุดและขณะที่ชายคนนั้นวิ่งมาขึ้นมาเนี่ยล้วก็บาดเจ็บเนี่ยเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่ท่านช่วย รักษาชายคนนั้นใครสำคัญที่สุดก็คือชายคนนั้ น, นลและภารกิจอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือท่านช่วยรักษาชายคนนั้นพระราชาถึงเลิกเข้าใจอ๋อเวลาที่สาคัญจริงก็คือปัจจุบันเพราะนอกจากปัจจุบันแล้วเวลาอื่นไม่สามารถทำอะไรได้เลยเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุด ซึ่งพระองค์ก็ได้คําตอบที่พอพอใจปัจจุบันเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุด่คนเราเนี่ยถ้าเกิดเสียใจกับเรื่องในอดีตก็จะทําให้สูญเสียอนาคตวิตกกระวลถึงอนาคตก็จะทําให้สูญเสียปัจจุบันเพราะว่าเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่เราเนี่ยทําประโยชน์และทําให้คนที่เราอยู่กับเราเนี่ยมีความสุข นี่คือภารกิจประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะถ้าคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยแต่ถ้าเราทําให้คนอื่นทุกข์เราก็ต้องทุกข์ด้วยเราให้อะไรเราก็ได้อย่างนั้นพระราชาก็เลยกลับเมืองแล้วก็ปกคลองประชาชนอย่างมีความสุขนิทาเรื่องนี้ก็จบถ้าเราหวนคิดเสียใจกับเรื่องในอดีตก็จะทําให้เราสูญเสียอนาคต ถ้าเราวิตกกังวลถึงเรื่องในอนาคตก็จะทำให้เราเนี่ยสูญเสียปัจจุบันเพราะชีวิตคนเราเนี่ยถ้าใช้ชีวิตแบบอาจารย์กำพลนะอาจารย์กัพลตั้งหัวเรื่องธรรมหของท่านทุกวันนี้ท่านมีชีวิตวันหนึ่งและคือหนึ่งเท่านั้นถ้าเราคิดแบบนี้ได้นะเราเคยยึดติดอะไรไว้เคยเกียดชี้หน้าใครไว้มันแทบไม่มีเวลาพอให้เกียดเลยเคยหลงอะไรไว้นะ่ะเพราะว่า ไม่มีอะไรร้ายแรงเท่าความตายความตายเนี่ยน่ากลัวเพราะเพราะว่าบรรพากทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดจากคนเราเนี่ยบางทีเกียดเขารู้วุญช้างคนนี้หลงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะเพราะว่ายังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ตายจะอยู่ในโลกนี้นานๆที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมในธรมเนี่ยก็เพื่อให้เห็นโลกตามความเป็นจรงิงไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเพราะโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยจะมีสัญญาที่ผิดเพี้ยนอยู่4อย่างคือหนึ่ง เห็นของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนเห็นของไม่งามว่าเป็นของงามที่พูดเนีตัวออมายก็เป็นนะถ้าเราไม่มาเรียนธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะถูกความคิดหลอกเพราะโดยคนทั่วไปเนี่ยจะบอกว่าโล่งนิดเที่ยงแต่เรารู้ว่าไม่เที่ยงหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจิตมันก็หลอกว่าเที่ยงอีก ที่จริงโลกของเราเนี่ยมาอยู่ได้เขาชั่วข่าวเท่านั้นเองเหมือนกับโรงแรมอาศัยบุญระบาปเป็นค่าเช่าพอหมดบุญระบาปเขาก็เช็คเช็คเอาให้เราออกแล้วไม่มีใครปักหลักในโลกนี้ได้เลยอยู่ให้ชั่วข่าวบางคนตายตั้งแต่อายุยังเด็กบางคนเรียนจบก็ตายบางคนก็ป่วยตายแก่ตายเกิอดอุบัติเหตุตาย ก็ไม่มีใครคาดคิดวาก่อนว่าต้องตายแต่บางคนก็มีโอกาสได้เตรียมตัวคือป่วยอันนี้ได้เตรียมตัวทานแต่บางคนไม่มีโอกาสเตรียมตัวเลยเกิอดอุบัติเหตุฉับพลันไม่ได้วางแผนป้องกันอะไรก็ตายแบบดื้อๆก็มีเยอะอย่างที่เนปลาลเนี่ยแผ่นดินไหวตายไปต้องหลายพันคนก็ไม่มีใครคาดคิดทรัพย์สินต่างๆก็เสียหายถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ แล้วดินฟ้ากันต่างๆก็ไม่ได้เป็นไปตามใจเราเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวมแมลงกวนเดี๋ยวคนรอบข้างขัดใจแต่ในโลกเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีเรื่องเลวร้ายทั้งหมดหรอกเรื่องดีมันก็มีบางทีก็มีเรื่องดีผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายเหมือนกันคะเขากันไปฮัลโลก็อยู่เป็นของไม่เที่ยงนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทมันทําความดีมากๆแล้วคนเราเนี่ยก็ชอบเห็ น, เ ห, น, เ, หนเห็นกลับกันน่ะบางทีก็เห็นความสุขกับความทุกข์เห็นความทุกข์กับความสุข อย่างเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวแต่คนข้างนอกที่เขาหลงไหลในความสุขเขามองมพวกเราเนี่ยทุกต้องมายกมือต้องมาเดินจงกรมมะถูกบังคับอะไรต่างๆแต่พวกยึดถือความทุกข์เป็นความสุขพวกนี้ก็วันๆหนึงก็เอาแต่เทีเท่ยวเตะเฮฮาดูหนังฟังเพลงบ้างก็ไปเล่นการพนานเข้าบ่อนเข้าสถานเริงลมเอาใบยัยุกต่างๆเนี่ย บงงางคนติยากินเหล้าเขาว่าเป็นความสุขบางคนสามารถเล่นไพ่ได้ทั้งวันตีดัมมี่สองวันสคืนไม่หลับไม่นอนก็กได้โดยก็นั่งอยู่ที่โต๊ะที่เดิมนั่นแหละเพราะจิตเขาไปเกาะกับไพ่ที่จัว่วหรือลุ้นไงเขาก็เลยมีฟ้าตื่นไม่เมื่อยแต่ที่จิ่งมเมื่อยนะแต่ถ้าพวกเรานั่งยกมือตั้งครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนะตั้งใจ ย, ยกไม่ขยับเนะี่ยก็จะตายแล้วบางทีบางคนไม่เคยฝึกนะคือว่าทุกข์ปวดเมื่อยทั้งตัว ไม่ขาไมื่แขนแต่คนที่เล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นการพนันต่างๆเขาเขาเขาเล่นทั้งวันนะหกหมักลุกอะไรพวกเนี้ยค่าจิตมันจิตมันมีมีตัวเกาะมีเครื่องอยู่คือเปียดเบี่ยงเบี่ยงไปอารมณ์ได้แล้วลลเล่าก็เหมือนกันเล่าที่คนกินทั้งวันเมาขาดสติแต่คนที่กินเขาว่าสุขแต่จริงไม่ได้ความสุขหรอกพอกินเสร็จแล้วก็เผาเผาผ่าร่างกายทําให้ป่วยต้องไปหาหมอฉะนั้นคอจึงมองความความทุกข์เป็นความสุขมากมาย บางคนก็บอกว่ากายมีกิ๊กเยอะๆดีบางทีทำให้ครอบคัวแตกแยกนี่หลายเยื่อยหมดอ่ะค น, คนมองเห็นความทุกข์เปความสุขแล้วก็มองความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนโดยธรรมชาติคนเราจะยึดตัวกูของกูอันนี้ยึดทุกคนแหละใครยึดมากยึดน้อยถ้าคนเรียนธรรมะ ก, ก็จะยึดน้อยหน่อยบางทีมีสติคิดว่าได้เอ้ยตัวไม่ใช่ตัวเรานี่นหะแต่ถ้าคนยึดมากนี่แค่คนมองหน้ามันก็จะไปหาเรื่องแล้วมองหน้ากูทำไมบางคนแค่ ขับรถปาดหน้าสมัยนี้ก็บางทีก็ค่ากันแล้วมีคนถู ก, ถ, กถูกยามหรือเดินชนก็นไม่ขอโทษอะไรเงี้ยเพราะแต่ละคนจะมีตัวตนอยู่ความคิดว่านี่ตูกูนะของกูด้วยจิตมันจะมีการยึดแต่ให้จริงแล้วมันยึดไม่ได้หรอกมันก็เป็ น, ปนของธรรมชาติแต่ว่าความคิดมั น, ม, นมันบอกให้ยึดไนงะวันนี่สามีฉันนี่ภรรยาของฉันนี่ลูกฉันอะไรของฉันหมดแหละตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆมันก็เปลีป่ยนไปเรื่อยแล้วแต่เหตุการณ์ อุทิศไม่ได้แล้วคนเราก็จะมองเห็นของไม่งามว่าเป็นของงามเพราะคนก็แก่เราจะเห็นแล้วเมื่อก่อนเคยเราเคยสาวมาก่อนเคยสวยผมดําใบหน้าราบเรียบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่บางคนเดี๋ยวนี้ก็ตีนกาก็ลึกผมก็งอกหนังก็เหี่ยวหูตาก็ไปหมดแล้วความจําก็เลอะเรือนมันบางทีขี้หูขี้ตาขี้มูก ออกจากรูทวารต่างๆมากมายแต่มันก็ทำให้คนหลงนะขนาดหมอหมอผ่าศพเนี่ยอัตมาเคยไปดูเขาผ่าศพที่โรงพยาบาลเนี่ยคนที่อยู่กับศพนานมันชินนะเขาเห็นเขาก็นั่งกินมาม่ากินข้าวอยู่ศพก็อยู่ข้างๆเขาก็กินเขาได้ไม่รู้สึกว่าเหม็นร่างกายคนเราเต็มไปด้วยเชื้อโรคลางของโรคถ้าผ่าออกมาเนี่ยแทบจะน่าเกียรติ พรหนังเราห่อหุ้มอยู่ไงเราจะเห็นว่าน่ารักสวยงามบางความคิดมันหลอกด้วยแหละร่างกายเราต้องชําระที่เหงื่อที่คลายเดี๋ยวก็เหม็นมีกลิ่นตัวต้องทําความสะอาดอยู่เรื่อยไหนจะอาหารต่างๆอีกถ้าจะเป็นป่าช้าของสัตว์เลยที่เรากินเข้าไปแล้วร่างกายของเราถ้าพิจารณาจริงๆแล้วจึงเต็มไปด้วยความสกรปรกไม่งามแต่ความคิดมันหลอกนะว่างามเราก็จะไปหลงมันได้ ที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อออกจากความหลงทั้ง4อย่างเนี้ให้เห็นโลกตาความเป็นจริงแล้วก็เข้าใจโลกธรรมแปอย่างคือมีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริอมมีดินทาถ้าเราเข้าใจโลกธรรมเนี่ยเราก็สามารถอยู่กับโลกธรรมได้ยอมรับความไม่เที่ยงได้อะไรเกิดขึ้นมาเราก็ยอมรับไม่ไปเสดไม่ผักสไม่มีใครไม่โดนดินทาแม้แต่พระพุทธเจ้าย่างโดนดินทาเลย อย่าสุทรผู้ได้แต่งกรเอาไว้อดินทาการเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้าเหมือนลอยมีดที่กีดหินแม้องค์ปฏิมาอย่างลาคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคําดินทาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะคนที่ดินทาเราบางทีก็เข้าใจเราผิดเขาก็ดินทาหรือบางทีนินทาถูกถ้าเรารู้เราก็สามารถเอาคำดินทาเขาเนี่ยมาพัฒนาตัวเองได้แต่ถ้าเราวิตกแคร์คนอื่นมากเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขเลย คนที่จะคิดกับเรายังไงไหมเนาะเราไปคิดแทนเขาหมดเลยอนี้เราต้องมาเรียนรู้ตัวนี้เพรเหอคิดไปกลับเรากลับมารู้สึกตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ไปตามความคิดปรุงแต่งถ้าคนไม่ฝึกเนี่ยมันไปยาวเลยนะปรุงแต่งไปเป็นฟุง้งเป็นแฟร์อย่างที่วันเมื่อสองวันก่อนอาจารย์โน้ตไล่ฟังนะที่ว่าคนสองคนเนียอยซื้อหวยแล้วอยากถูกรางวัลที่ว่าจะมาใส่บาทให้ผระแล้วทะเลาะ ก, กันนะ่ะ อีกคนหนึ่งจะเลี้ยงวัวอีกคนหนึ่งจะปลูกผักหวหาายภรยในถูกเลยทะเลาะกันแล้วเพราะความคิดมันคิดล่วงหน้าคิดไปถึงอนาคตปัจจุบันจึงสามารถทำอะไรก็ได้มีคนถามองค์ดยามาว่าพระองค์รู้สึกแปลกใจอะไรกับมวลมนุษย์ยชาติองค์ดยามาก็ตอบว่าพระองค์เนี่ยรู้สึกแปลกใจที่คนเราเนี่ยยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อที่ทจะได้เงินมา ก็ยอมสูญเสียเงินตาเพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพและเฝ้าวิตกกระวนกับอนาคตที่มาไม่ถึงจนไม่มีความลื่นลมอยู่กับปัจจุบันถ้าเรามาคิดดูที่องค์นี้พูดก็จริงนะเพราะคนเราเนี่ยยอมดิโลนหาเงินเพื่อเก็บสะสมเงินให้ได้มากจนเวลาพักผ่อนไม่มีแล้วเสร็จแล้วก็ป่วยพอป่วยแล้วก็เฝ้าวิตกกระวนอนาคตอย่างบางคนเนี่ยทงาน แทนที่จิตจะอยู่ปัจจุบันมีความสุขในงานก็ไปร อ, อนน่นรอตุดจีนรอสงการเราปีใหม่วางแผนที่จะเที่ยวหรือทำงานวันจันทร์วางแผนจะไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์ละเพราะการทำงานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีความสุขได้ขนาดที่ทำไปเราสามารถเอาความรู้สึกตัวเนี่ยจิตรสติได้ฝาดบ้านถูบ้านล้างจานเข้าห้องน้าขับถ่ายนั่งรถลงเรือคึกนิ้ว เราสามารถฝึกได้บทอยู่กับปัจจุบันได้แต่ถ้าเราไปอยู่อนาคตชีวิตเราก็วิ่งล่าอนาคตตลอดความสุขก็อยู่ข้างหน้าไม่อยู่ปัจจุบันทั้ทีคนทั่วไปจะไปแบบนี้นะถ้าคนไม่มาเรียนธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือจะไปหาความสุขจากอนาคตแล้วก็ไม่มีอยู่จริงด้วยมีแต่ความสุขปัจจุบันเท่านั้นที่อยู่ได้ขณะที่เราทํางานเราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้สามารถทําประโยชน์ตัวเองประโยชน์คนอื่นได้ทําด้วยการมีสติ มีอีกอย่างหนึงที่พวกโยมอาจจะมองข้ามอย่างถ้าเราเห็นใครทําความดีเนี่ยแล้วก็นุโมทนาสาธุถ้าทําบ่อยๆเนี่ยจิตเราก็มีความสุขแล้วได้บุญกุศลด้วยเห็นใครทําบุญแล้วก็สาธุเห็นใครทําประโยชน์ให้สังคมแล้วก็สาธุแต่ถ้าเราไปจิตอกุศลเนี่ยเราก็จะหมันไส้ไปเพ่งโทษก็มีว่าไอ้คนที่ทําอะไรสร้างภาพหรือเปล่า คิดไม่ดีหรือเปล่าอะไรไปเรื่อยเปื่อยให้คนเราจะอยู่ที่ความคิดนะคนเราในเห็นเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนเนี่ยจะมีการสะสมต่างๆที่แตกต่างกันไปบางคนจิตเป็นกุศลเนี่ยมองอะไรก็เป็นบุญกุศลหมดแหละแต่บางคนจิตซะมีอกุศลเยอะก็มองอะไรก็เป็นบาปหมดแหะเห็นอะไรก็เป็นบาปทั้งที่เห็นเรื่องเดียวกันนะการที่มาได้เจริญสติแบบหลงวงพ่อเทียนเนี่ยมายาก เพราบางคนชอบทำบุญก็จะไปสายเกจิอาจารย์ไปทางสวรรค์อะไรมากกว่าจะมีคนเข้าเยอะแต่มาเจาตสติสร้างความรู้สึกตัวให้จิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะมีน้อยนอกจากมีบุญบรารมีเก่าๆคืออันนี้เป็นทางที่ทางตรงรัดสัน้นแล้วก็ไม่ทําให้คนหลงด้วยถ้าเรามาทําบ่อยๆเราก็จะเข้าใจความคิดและเห็นความคิดเราได้ถ้าเราเห็นความคิดได้เราก็ไม่ตกไปท่านความคิด ความคิดไปสั่งอะไรเราเราว่ก็ไม่ทําตามมันก็ได้บางทีไม่เป็นไรแต่ละคนที่ไม่เคยปฏิบัติมาเนี่ยมันทําตามความคิดเลยนะความคิดสั่งปุ๊บมันทําปั๊บเลยแหละบางทีไม่พอใจไปทะเลาะวิวาททันทีเลยหรือหรือด่าทอทันทีเลยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่เรามาเจริญสติเนี่ยเรื่องราต่างต่างเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปสามารถแก้ปัญหาทุทกอย่างแสดงว่าเรามีความอดทนมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้น เพราะโดยทั่วไปจะใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลดำหลังจึงสร้างปัญหาทําให้คนเนี่ยติดคุกติดตารางน้อยใจฆ่าตัวตายก็มีพอพิตกกังวลหรือคิดทายคนอื่นคิดตัวเองอะ่ะว่าคนนู้นไปอย่างนี้อย่างนี้เขาจะคิดเรายัางไงไม่หนอพาีเรื่องมันก็ไม่จริงบางเรื่องบางทีแก้ไขไม่ได้แล้วบางคนก็ทูกข์หาหน้า อ, อกไม่ได้ฆ่าตัวตายคนยังฆ่าตัวตายกันมากไอ้ฆ่าตายเองไม่เท่าไหร่บางคนไปฆ่าคนอื่นตายด้วยบางทีไปฆ่าเมียฆ่าผัว หรือความเะ แ, ว, แวงแบบที่เราเองก็เยอะนั้นสติจึงสําคัญสามารถช่วยเราได้คนที่ทำท ำ, ทำไปพราะขาดสติไม่รู้จักตัวเองพอเราไม่รู้จักตัวเองเราก็ไม่เข้าใจคนอื่นนั้นพวกโยมก็สร้างความรู้สึกสบายเรื่อยอันนี้มันจะมีอ น, นิสง์เป็นเพื่อนของเราเป็นเพื่อนแท้เป็นที่พึ่งได้เพราะปัจจุบันทั้งนั้นที่เป็นเวลาของเราที่แท้จริง อมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรเกี่ยวเวลาก่อจบท้องกรพัทรทกลาทโยมฟังก่อนนี้หลวงพ่อพุทธทาสแต่งไว้สิ่งล่วงล่วงแล้วไปอย่าฝ่หาที่ไม่มาก็อย่าพึงคนึงหวังอันวันวา น, วานผ่านพ้นไม่วนวังวันข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลยผู้ใดยเฟ้นเห็นชัดปัจจุบันในเรื่องนั้นๆแจ่มกระจ่าง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 นั่นแหละผู้พัดเทกรัฐอันสัตบุรุษผู้รู้ท่านกล่าวกันเอ่ยขอความสุขความเจริยธรรมจงมีแง่ญาติโยมทุกท่าน